มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่จังหวัดลบบุรีครับนางบุญรอดนี่เป็นลิงหางยาวตัวหนึ่งซึ่งพิพง์เนี่ยยิงแม่ของมันมาแกล้มเล่าบังเอิญลูกของมันเกาะติดท้องแม่ของมันตกลงมาด้วยเนื่องจากมันยังเล็กมากพี่พงษ์ก็กลัวว่าจะเลี้ยงไม่รอดก็เลยยกให้คุณกเกษมที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังคุณกเกษมก็ตั้งชื่อมันว่าบุญรอด จากนั้นก็หลงแรงออกเดินทางเข้าไปในอำเภอซึ่งต้องเดินด้วยเท้าถึงวันหนึ่งเต็มๆมนสมัยนั้นเข้าไปซื้อขวดนมนมที่เขาใช้เลี้ยงทารกเอามาเลี้ยงมันแล้วมันก็รอดสมชื่อคุณเกษมเห็นนางบุตรรอดทีไรก็ทําให้นึกถึงคนเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่แตกต่างไปจากคนมากเท่าไหร่มันรู้จักรักรู้จักโรูรจรู้จักหวงรู้จักคอยอะจะต่างกับคนก็คงจะต่างตรงที่มันพูดไม่ได้เท่านั้นเอง ตั้งแต่คุณกเกษมได้นางบุญรอดมาก็เลิกฆ่าสัตว์เลิกอาชีพเป็นนายพรานทางนี้ก็เพราะสภาพความเป็นอยู่ของบุญรอดนี่สร้างความรู้สึกอะไรตอนนีอะไรให้คุณกเกษมหลายอย่างโดยเฉพาะคําว่าสัตว์และคําว่าบาปในชีวิตของคุณกเกษมนี่รู้จักบาปเอาจริงๆริงก็เมื่อได้บุญรอดนี่มาไม่นานพี่พงศ์นี่ หลังจากที่ยิงแม่ของนางบุญรอดตายไปแล้วไม่นานพี่พงศ์ก็ยิงลิงหางยาวตัวเมียได้อีกตัวหนึ่งแล้วก็ลิงตัวเนี้ยก็กำลังจะมีลูกเหมือนกันจะต่างกันก็ตรงที่ลูกของมันเนี่ยเอคุณเกษมไม่มีโอกาสได้เลี้ยงมันอย่างนางบุญรอดเพราะว่ามันตายไปพร้อมกับแม่ของมันตายทั้งๆ ท, ที่มันไม่มีโอกาสคลอดออกมาลืมตาดูโลกนี้เลยแต่ตอนนั้นมันก็คงจะจวนคลอดเต็มทีแล้วเพราะว่าหลังจากที่พี่พงศ์ผ่าท้องแม่ของมัน ออกมาแล้วก็เห็นตัวของมันตัวเต็มที่มีอวัยวะต่างๆครบถ้วนเป็นอันว่ามันตายซะก่อนอคือตายพร้อมๆกับแม่ของมันท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าทำไมพี่พงษ์ชอบยิงลิงนักหนานไม่ใช่แต่เพียงพี่พงษ์เท่านั้นละ่ะที่ชอบยิงลิงมาแกล้มเล่าคนอื่นๆก็ชอบยิงลิงเช่นเดียวกันเพียงแต่คนอื่นเขาไม่ยิงถูกเอาแม่ลิงลูกอ่อนอย่างพี่พงษ์เท่านั้นเอง ทั้งนี้เนื่องจากความเชื่อที่ว่าเนื้อลิงกินแล้วเนี่ยเป็นยารักษาโรคไรต่างๆเหมือนกับเลือดข้างอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้บางคนก็มีความคิดพิเรนพิเรนขึ้นมาอีกสมองลิงกินแล้วบำรุง เ, เสริมพลังทางเพศนี่สิลิงในป่าก็เลยถูกล่าไม่เว้นแต่ละวัน ประกอบกับยิงลิงเนี่ยมันง่ายเว่าข้างเพราะข้างมันอยู่บนยอดไม้สูงสูงลิงมันอยู่ต่ำต่หลังจากที่พิพงยิงลิงลูกอ่อนตัวนั้นไม่นานพี่เสริมเมียของพิพงก็ท้องก็สร้างความตื่นเต้นให้พี่เสริมพี่พงมากเพราะว่าทั้งสองคนก็ไม่เคยมีลูกพี่เสริมตั้งท้องไม่นานก็เจ็บท้องทําท่าจะคลอดก่อนกําหนดเพราะว่าเพียงแค่แปดเดือนเท่านั้นพี่เสริมก็ทําท่าจะคลอดแล้วตอนนั้นแล้ววันนั้นคุณกเกษมจําได้ว่าเป็นวันพุธ ตรงวันเดือนดับพอดีวันเดือนดับนี่หมายถึงแรมสิบห้าค่ำพี่เสริมปวดท้องตั้งแต่เช้าเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ไปนั่งเป็นเพื่อนเท่านั้นเนะพราะช่วยอะไรไม่ได้เมื่อเห็นท่าไม่ดีพี่พงศ์ก็รีบไปตามป้าฉาป้าฉานี่เป็นหมอตำแยำเป็นหมอตำแยจําเป็นเอามาทำคลอดไม่นานนักป้าฉำก็พาร่างอันเหี่ยวย่นเหมือนกับตุกตายางเก่าที่ถูกปล่อยลมออกอ แทบจะเดินไม่ไหวเดินก็นย่องกะแยงเข้ามาลักษณะท่าทางการเดินตลอดถึงหน้าตาของป้าชําเหมือนแม่มดในนิยายไม่มีผิดเลยจะต่างกันก็ตรงที่แม่มดในนิยายส่วนใหญ่ใจร้ายแต่ป้าชํานี่ก็เป็นคนใจดีเด็กๆในละแวกนี้เกือบครึ่งนี่คลอดออกมาด้วยฝีมือของป้าชํานี่แหละพอมาถึงป้าแกก็สั่งทำโน่นทํา น, น, านี่คร่องแคล่วเสร็จแล้วก็หายก็ไปในห้องคนเจ็บ คุณเกษมในฐานะเพื่อนบ้านใกล้ชิดตัวเข้าไปนั่งคอยอยู่ที่ประตูพร้อมๆกับพี่พงศ์เวลาที่ผ่านไปมันนานเหลือเกินเหมือนกับแหมมันทรมานจริงๆบ้านทั้งบ้านนอกจากเสียงร้องครวญครางของพี่เสริมแล้วแทบจะไม่มีเสียงอะไรอีกทําให้นึกว่าโอ้ยการคลอดนี่มันเจ็บปวดทรมานอย่างนี้เองนี่เนาะไม่นานเสียงร้องก็เงียบพร้อมกับเสียงอุทันเสียงประชามเรียกพระพุทธพระธรรม ทั้งบิบพงแล้วก็คุณเกษมปราศก็ไปในห้องพอมองเห็นร่างของเด็กที่นอนอยู่ในกระด้งเท่านั้นคุณเกษมก็แทบจะอุทานพระพุทธธรรมออกมาเหมือนกันเพราะว่าเด็กที่นอนหายใจห่างๆอยู่ในกระดงนั้นไม่มีสภาพอะไรที่บอกว่าเป็นลูกคนเลยสักนิดหัวกลมใหญ่เ ก, กลี้ยงเกลาเส้นผมไม่มีตาโตกลมลึกเข้าไปในกระโหลกจมูกไม่ไม่มีสันจมูก เห็นเป็นรูกลวงดำเข้าไปสองรูปากกว้างซ้ำที่มุมปากทั้งสองมีเขี้ยวโผลออกมาอีกด้วยสายตาภายใต้กรอบตาอันใหญ่โตนั้นจ้องมองพี่พงษ์ขม็งเลยแล้วก็ส่งเสียงพี่กลนออกมาจากลำคอไม่รู้จะเป็นพระอุปาทานหรือว่าของจริงสายตาคุณกเกษมจับดูที่ร่างเด็กคนนั้นดูร่างนั้นค่อยๆพองโตขึ้นทุกครั้งที่หายใจเข้าออกเสียงพี่พงษ์ ร้องโอ๊ยไม่ไม่ไม่เอาไม่เอา้าพร้อมประโจนพรวดลงจากเรือนท่ามกลางความตื่นตะลึงของเพื่อนบ้านเด็กคนนั้นส่งเสียงพิกลอยู่ครู่นึ่งก็เงียบหายไปเพื่อนบ้านบอเห็นสภาพของเด็กเขาเท่านั้นน่ะต่างก็รีบหนีไปอย่างรวดเร็วด้วยความเชื่อเรื่องผีที่ฝังหัวยากจะลบล้างไม่นานนักบ้านพี่พงศ์ก็คงมีแต่คุณเกษมกับป้าชัมเพียงสองคนกับพี่เสริมซึ่งเป็นแม่น น, นอนร้องไห้น้ําตาคลออยู่บนแคร่ไม้ไผ่ อ่าพระชัมก็บอกไปดีเะลูกเอ้ยอ่าพระชัมมันรู้สึกแกจะมีความกล้ามากกว่าคุณกเกษมมันแกก็จับกระดงยกขึ้นเออป้าจะนําลูกไปคืนเองลูกมาจากดินก็ต้องคืนสู่ดินนะลูกนะพระท่านว่าไว้อย่างนั้นประชัมก็พึมพำพึมพำไม่รู้เพราะความกลัวหรือว่าเพราะแกจําคําสอนคํานั้นได้แกก็พึมพำไปตลอดทางอ่าเหมือนกับคํานั้นเป็นคาถาอันวิเศษ เดี๋ยวครู่หนึ่งป้าฉำมก็กลับมาเห็นแม่อาหวานเพื่อนบ้านพอจะมีความกลัวเกิดขึ้นทุกคนก็ต้องนึกถึงตัวเองก่อนคนอื่นเสมอเองอยู่เป็นเพื่อนหนังเสริมมันก่อนก็แล้วกันนะไอพงมันคงไม่กลับหรอกวันสองวันนี้นะเอออยู่ไอเสมเออมันมันจะดีหรือป้าคุณจะเสมจักไม่แน่ใจตัวเองไม่รู้ว่ากลัวหรือว่าเกรงคํากรหา กูอยู่ด้วยอ้าเอาเอถ้าอย่างนั้นก็อ ย, อยังชั่วหน่อยเดี๋ยวผมขอไปจัดการอะไรที่บ้านหน่อยป่านนี้นางบุญรอดคงจะหิวแล้วผมมาตั้งแต่เช้าเออไปเถอะเอง็งห่วงสัตว์ยิ่งกับลูกเจ้านายเสษมลูกคนลูกสัตว์มันเหมือนกันลนะป้ามันสาคัญอยู่ที่ใจคุณกเกษมก็พราดจากป้าช้ำมากระทั่งถึงบ้านนางบุญรอดก็คงนั่งอยู่ที่หน้าประตูครัวก็คงจะนั่งคอยคุณกเกษมกลับอ่ะเพราะมันรู้ดีถ้ากลับมาบ้า น, นก็ต้องปราดเข้าครัว ก, วก่อน พอเห็นหน้านางบุญรอดอะไรอย่างหนึ่งก็ทำให้คุณกเกษมนึกถึงเด็กคนนั้นหน้าตาของเด็กคนนั้นกับหน้าตานางบุญรอดน่มันมีส่วนเหมือนกันอยู่ไม่ใช่น้อยหรือว่าลูกลิงที่ตายตั้งแต่ยังไม่คลอดตัวนั้นคุณกเกษมคิดแล้วต้องเบรกความคิดตัวเองด้วยความเสียวสยเสยงเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงไอเสีมไว้ไอเสีมอยู่หรือเปล่า ใครเรียกอะกูเองเจ้าตัวโผล่หน้าขึ้นมาอลุงมั่นผู้ใหญ่บ้านคือที่แกเป็นผู้ใหญ่บ้านแกก็เป็นแบบผู้ใหญ่บ้านจําเป็นนตั้งกันเอาเองเพราะว่าแกมีนิสัยชอบบริการคนอื่นต่างก็คิดกันว่าเมื่ อ, อไหรหลวงเขายกฐานะขึ้นคนในป่าแถบนี้จัดเป็นหมู่บ้านก็จะให้แกเป็นผู้ใหญ่บ้านนะตอนนี้ตั้งกันเองก่อนหลวงยังไม่ได้ตั้งมีอะไรแล้วลุงมั่น ไปช่วยหามศพไอพงมันหน่อยฮะอ้าวเอ็ ก, กตะ ก, กี้ยังดีอยู่นี่ลุงแต่ตอนนี้มันตายแล้วอ่ะคงจะเป็นผีเด็กไนแหละถูกอะไรตายลุงปืนตั้งก็ปืนตั้งที่มันตั้งดักหมูป่าในไร่มันของมันเองอ่ะแหละมันคงจะใส่ดินปืนและกระสุนเข้าไปมากโอ้ยร่างเละดูไม่ได้เลยไปกันเถอะขืนชักชาเดี๋ยวศพเน่า มาถึงตอนนั้นเอาช้างมาลากกูก็ไม่ไปหามศพมาหรอกเหม็นคุณจะเสษมก็เดินตามลุงมั่นไปอย่างคนใจลอยมันเป็นไปได้ยังไงปืนตั้งตามธรรมดาเป็นปืนที่ทำด้วยเหล็กแปบบน้ําหรือว่าเหล็กพวงมาลายัยรถยนต์น่ยโดยปิดด้านหนึ่งแล้วก็อัดดินปืนเข้าไปจากนั้นก็ใส่ลูกตะกัว่วจากนั้นก็นําไปตั้งไว้บริเวณทางเดินของสัตว์โดยใช้เชือกเป็นสายสะพานกระตุกนกนกสับจำนวนตามธรรมดาแล้วปืนตั้งจะวางต่ําสูงไม่เกินขา พอคุณกเกษมไปถึงก็เห็นสภาพศพของพี่พง์เนี่ยก็แทบจะเบือนหน้าหนีเพราะกระสุนสัดเขาเต็มลำตัวแม้แต่ใบหน้าก็ไม่มีเหลืออ่าแสดงว่าถ้าพี่พง์ไม่คลานอย่างสัตว์เข้าไปในพี่พง์ไม่มีวันโดนปืนในลักษณะนี้เด็ดขาดอะไรที่ทำให้พี่พง์คลานไปกับดินอ่านี่ละมังที่พระพุทธเจ้าท่านว่ามันเป็นกฎแห่งกรรมครับนั่นก็เป็น เรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งที่เรานามาเสนอให้ท่านได้รับฟังกันวันนี้ครับทีนี้มาคุยกันถึงเรื่องบาปเรื่องกรรมกันหน่อยท่านบุฟังปีนั้นเดือนเก้าเดือนเก้าเหนือนี่ก็คือเดือนเจ็ดใต้นะครับแถวแถวทางกรุงเทพนี่ ยังเป็นเดือนเจ็แต่ว่าทางเหนือเขาเป็นเดือนเก้าแล้วก็ประมาณเดือนมิถุนายนเนี่ครับปรากฏว่าปีนั้นพอถึงเดือนเก้าฝนที่เคยตกมาเกือบตลอดเมื่ อ, อเดือนแปดเนี่ยก็หยุดชะงักไปอย่างกระทันหันปรากฏว่าผืนนาที่อาศัยน้ําฟ้านี่ก็เริ่มแห้งข้าวกล้าชาวบ้านหวานไว้ก็เริ่มแห้งเหี่ยวอับเฉาลงคนบ้านป่าบ้านดงที่อาศัยมอนอาศัยมาก ดอยดินเป็นที่ลงข้าวไรหัวใจก็พลอยแห้งเหี่ยวไปตามกอข้าวต่างคนต่างก็คิดรำพึงถึงอนาคตวันหน้าจะเอาข้าวที่ไหนมากรอกหม้อหรือว่าจะต้องอาศัยหัวกลอยหัวเผือกแล้วก็ขุยไผ่เหมือนเช่นเมื่อห้าปีที่แล้วโนนก็เคยแล้งแบบนี้แหละเงินที่เก็บ อ, อมมาจากการขายไม้ไม้สลาบไม้ไผ่ผ่าเป็นซีกๆเนี่ยครับ สำหรับเอาไ้ล้อมรั้วเนี่ยแล้วก็ขายฐา น, นเหลือติดห่อผ้าอยู่ไม่กี่สิบบาทแล้วเราจะเอาอะไรมาซื้อกินกันถตาหากมันยังแรงอยู่อย่างนี้แงนมองฟ้าตั้งแต่เช้าถึงค่ำหวังจะเห็นขี้ฟ้าขี้เมฆสักก้อนเพราะอุ่นใจก็ไม่มีเสียงแมงอะไรต่ออะไรมันก็ร้องกันเซงแซ่สั ญ, ญลักษณ์ของความแห้งแรงตามที่ปู่ย่าตาทวดเคยเชื่อถือกันมาแล้ว ไอ้ลมกิดจิ๋วหรือลมบ้าหมูนี่มันก็หอบเอาเศษกระดาษซองยาแก้ปวดเก่าๆที่เรียราดอยู่ข้างถนนเนี่ยปลิวเข้ามาในบ้านเด็กน้อยก็แก้ผ้าเล่นฝุ่นกันกระโดดโลดเต้นกันนะแม่อุ้ยก็นั่งตะบันหมากอยู่นอกชานหน้าตามนหมองมองดูลูกหลานของตัวด้วยสายตาที่ยากจะบริยายมันเป็นแววตาที่รันทดหดหูนะทั้งสังเวช ท, ทั้งห่วงใหญ่ บ้านป่าบ้านดงที่มีเรือนอยู่ไม่กี่หลังคาเนะี่นะนะเงียบสงบนะขนาดหมานี่ขนไม่ค่อยจะมีก็ยังไม่ยอมเคลื่อนไหวเลยเด็กวิ่งข้ามหัวมันก็ไม่ว่าอะไรคงจะเหนื่อยเปลียอะไรเหี่ยใจเหมนกัเจ้าของมันนะสัญชาตญาณันคงจะเตือนสานึกให้มันรู้ว่าอีกไม่นานไม่ช้ามันคงจะต้องเร่ร่อนไปหากินหนูกินไหนในป่าแทนอข้าวจ้ำน้ำแกงที่เจ้าของเคยแบ่งให้มันกิน ชีวิตบ้านป่าบ้านดงมันก็ยังเป็นอย่างนี้แหละนะแทบจะสิ้นไร้ไม้ตอกเพราะความยากไร้มันไร้ไปซะทุกอย่างทั้งทรัพย์สินเงินทองผ้าผ่อนท่อนสบายไร้แม้กระทั่งการศึกษาไอ้ความอดความอยากนี่มันทําให้คนเราต้องดิ้นรนทำมาหากินก็สแสวงหาอาหารพวกสัตว์ปีกแล ะ, มะแมลงที่เป็นอาหารนั่นโอชารสอย่างเช่นพวกตัวต่อหรือคนเหนือเขา จะเรียกมันสั้นๆว่าต่อนะครับไม่มีคําว่าตัวเนี่ยต่อนี่อยู่ในตระกูลพึ่งแล้วก็แตนแต่ว่าต่อมันตัวโตก ว, ว่าโดยเฉพาะต่อหลุมเนี่ยคนเหนือเขาเรียกต่อศาสตร์คุณสมชายที่เล่าเรื่องนี้บอกว่าตัวแกถึงจะเกิดในป่าดงพงไพแต่ก็ยังไม่เคยเห็นรังของต่อศาสตร์เลยที่เคยพบเคยเห็นก็เฉพาะต่อหัวเสือหรือว่าต่อนอนวัน ซึ่งมันชอบทํารังแขวนไว้กับกิ่งไม้สูงสูงบางรังในโตเท่าระบุงบางรังก็เท่าลูกมะพร้าวไข่และลูกอ่อนของต่อชนิดนี้แม่เคยซื้อมาปิ้งแล้วก็ทําตำน้ําพริกให้กินเสมอเมื่อถึงฤ ด, ดูออกไข่ของมันส่วนต่อศาสานั้นอาศัยถามพ่ อ, อพ่อก็บอกว่าต่อศาสานี้มันมีจํานวนมากอยู่ในรังหรือว่าหลุมหนึ่งหลุมหนึ่งเนี่ยตัวมันโตเท่ากับหัวแม่โป้งของพ่อเนี่ยต่อชนิดนี้ดุร้ายมาก แล้วก็มีพิษสงมากด้วยได้ยินว่าถ้าใครถูกมันต่อยหลายตัวนี่จะสำรอกออกมาเป็นไข่ของมันเนี่ยแล้วก็อีกไม่กี่วันผมบนหัวก็จะงอกขาวโพลนเดียวหากถูกต่อยมากตัวขึ้นไปอีกอาจจะถึงตายได้ถ้าแก้ไขไม่ทันนะต่อศาสตร์นี่ชอบกินเนื้อเป็นอาหารพ่อเล่าว่าเมื่อก่อนนี้ตอนที่คุณพ่อมาลงหลักปากเสาเรือนใหม่ๆต่อพวกนี้มีมากมันบินเข้ามาหากินถึงในบ้าน ชาวบ้านบางคนซื้อเนื้อมาจากตลาดไม่มีตู้เก็บอาหารนะ่ะเอาตอกมาร้อยเนื้อผูกติดไม้ระแนงหรือว่าทับยาคาไว้พอกลับจากไร่มาหาเนื้อไม่เจอแมวก็เลยกลายเป็นแพะรับบาปนะนึกว่าแมวเอาไปกินไม่ใช่อะ่นะต่อ น, นี่แหละคือบางตัวมันมาบินพบก้อนเนื้อมันก็จะโฉบออกไปเป็นก้อนโตเลยโตกว่าตัวมันเสอีกยังไม่พอกระจายมันก็จะพาพวกมาช่วยกันกัดออาไปที่รัง บางทีตัวเดียวนั่นแหละมันขยันที่เอาไปเที่ยวมาอยู่หลายรอบก็เพราะความโลภของมันนี่เองเป็นเหตุที่มันต้องสูญเสียชีวิตทั้งตัวเองและพักพวกเพื่อนพ้องคือต่อสาร น, นี้จะอยู่ดงลึกคนหาพบยากแต่คนมันต้องฉลาดประสัตล่ะเขาก็สะกดรอยโดยการเอาเนื้อเป็นเหยื่อล่อก็จะใช้เส้นได้เหนียวเหนียวผูกเข้ากับกระดาษตะกั่วซองบุรีหรือว่ากระดาษขาวนี่แล้วก็ปลายได้ก็ร้อยเข้ากับก้อนเนื้อ พอมันโฉบเอาเนื้อไปมันก็เอาได้กระดาษปิวติดตามมันไปด้วยตอนนี้แหละคนก็ตามได้ถูกทางพ่อบอกว่าพอพบเห็นรังมาแล้วอย่าได้ไกลเข้าไปใกล้ๆเพราะอันตรายมากมองดูเผินๆจะไม่รู้ว่าเป็นรังต่อสัตว์บางรังนี่มันขุดเสียขนาดกว้างขนาดตารางวาขวาาก็มีดีไม่ดีเดินพลาดลงมาในหลุมเมื่อมันต่อให้เป็นควายป่าก็จะเหลือแต่กระดูกพ่อเล่าเรื่องความดุร้ายของต่อให้ฟังเรื่องหนึ่งว่า ในพรานคนหนึ่งพาลูกชายวัยหนุ่มเขาไปล่าสัตว์ในป่าพอแยกทางกันไปได้ไม่นานพ่อพรานก็ได้ยินเสียงลูกร้องขอความช่วยเหลือขว่าพ่อพรานจะไปพบลูกได้ลูกก็ถูกตอกัดจนเห็นกระดูกพ่อพรานจะลงไปช่วยก็ไม่ได้เลยจำใจต้องยิงลูกตัวเองให้ตายดีกว่าที่จะปล่อยให้ทรมานต่อชนิดนี้กินเนื้อเป็นอาหารจริงๆเพราะความดูร้ายพิษสงมากของมันนี่แหละ คนบ้านป่าก็เลยไม่ค่อยอยากจะไปตอแยกับมันกว่าจะเอาตัวอ่อนหรือว่าใข่ที่ชาวเหนือเขาเรียกว่าเต้งของมันมากินได้เนี่ยเสี่ยงเจ็บตัวเสี่ยงความตายแต่ปรากฏว่าในขณะที่คนบ้านปา่าไม่กล้าไปตอแยมันคนในเมืองกับเก่งอักเก่งกว่าเพราะวันนั้นเวลาสักสี่โมงเย็นได้คุณสมชายจะเลิกงาน ก็เห็นนาเสริมศักด์นี่มาคุยอยู่กับพ่อที่ใต้ต้นมะขามหน้าบ้านพ่อก็ชี้ไม้ชี้มือไปทางบ้านลุงพ ย, พยักหน้าเงยหงักเงยหงั ก, ง ก, ง ก, ง ก, งกแล้วนาเสริมศักด์ก็เดินไปทางที่พ่อชี้เนียคุณสมชายก็ถามพ่อว่านาเสริมเข้ามาทำอะไรพ่อก็บอกว่านาเสริมมาถามหาคนที่พบรังต่อสัตว์นาเสริมศักด์เนี่ยแกเป็นคนในเมืองแกรวยมีจักรรถเก๋งรถปิกอัพ รถลากไม้หลายคันบ้านเรือนใหญ่ยังระวังเจ้าใครๆเขาเรียกพ่อเลี้ยงเสริมแกมักจะมาติดต่อให้้าบ้านตัดไม้ไผ่วางไม้สักบ้างบางทีก็เอาใส่รถยนต์ไปเป็นท่อนๆบางทีก็แปรรูปนะเสร็จแล้วน่าเสริมกลับมาเอารถที่ลานบ้านตอนเย็นแรถตะโกนบอกพ่อบอกคืนนี้จะไปเอาต่อศาส ก็อดแปลกจใจไม่ได้ที่นะเสริมบอกจะไปเอาต่อศาสตร์ตอนกลางคืนก็ถามพ่อว่านาะเสริมแกมีวิธีเอาอยัางไงแกถึงได้ไปเอาคําหมืดๆพ่อก็สายหน้ า, าแสดงว่าคุณพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะเสร็จแล้วแม่เก็บของเข้าบ้านเรียบร้อยตอนค่านี่ยังจดรายการสินค้าที่จะไปซื้อตอนเช้ายังไม่เสร็จเลยนะเสริมขับรถเข้าบ้านหน้าตายิ้มแย้มแจ้วอ่ะ ปรากฏว่าได้เต้งต่อมาตั้งหลายกระบุงขาวโพลนไปแล้วก็มาเล่าให้พ่อฟังว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยเอาสายยางคือท่อพลาสติกสวมก็ที่ปลายท่อไอเสียรถยนต์ให้ลุงชื่อนเอาปลายอีกข้างไปแย่ลงหลุมต่อพ่อเลี้ยงก็ติดเครื่องรถอยู่นาน่ะก็ใช้ให้ลุงเนี่ยไปก้มเอาหูแนบดินพอลุงมารายงานไม่มีเสียงแล้วก็ขนเอาเศษไม้ใบหญ้าแห้งมาสมบนรังให้มันจุดไฟเผาพักก็ช่วยกันคุยนะ ก็ได้เต้งต่อคือไข่ของมันเนี่ยอ่เอามาแบ่งกันจากนั้นมานะเสริมก็ยังมาติดต่อมาเที่ยวล่าสัตว์อยู่เสมอน่แกใช้ถอไอสีรถยนต์นี่นะวันเวลาผ่านมาจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งคุณสมชายกำลังนั่งกินข้าวที่บ้านเนี่ยพ่อก็คุยในวงอาหารบอกว่าพ่อเลี้ยงเสริมโดนมือดียกเข้าในบ้านขโมยชุดนี้มีไม่น้อยกว่าสามคน ไม่ใช่พวกย่องเบาหรือว่าจี้ปล้นมัดเจ้าของบ้านแต่ว่ามันไขเซฟในห้องนอนพ่อเลี้ยงขณะที่พ่อเลี้ยงนอนกอดเมียอยู่ใกล้ๆนั่นแหละมันไขเซฟที่พ่อเลี้ยงเอาเงินค่าคนงานค่าไม้เป็นแสนๆเอาไว้ในนั้นเพชรนินจินดาสร้อยคอทองคำแล้วก็พระเลียมทองเยอะแยะปืนสั้นปืนยาวหลายอย่าง มันหยิบยกออกไปหมด่ะเว้นเฉพาะตู้เย็นจะมันคงจะหาไม่ไหวนะแล้วก็รถปิกอาอีกคันที่พ่อเลี้ยงขับมาเอาตัวต่อนี่แหละคันนึงมันก็เอาขนของไปเลยรถเก๋งราคาล้านขวายคันหนึ่งก่อนที่มันจะพากันไปมันพากันเปิดไฟหุงข้าวทอดไข่ผัดประกาศกินยังจังของสดของแห้งในตู้เย็นกับหมดสุดท้ายมันก็ถ่ายอื้ว่าในห้องรับแขกพ่อเลี้ยงเป็นการเอาเครสตอีกเป็นกองเนี่ย เอ๊ทำไมถึงกลับเป็นตายไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะพ่อคอยยิ้มนะตอนนั้นก่อนที่จะเล่าให้ฟังบอกมันใช้ยารมมาลูกยารมให้หลับสนิทเรียกว่าสลบไปเลยนลั่นแหละนะเอายารมมาไว้ที่ท่อดูดอากาศของเครื่องปรับอากาศกว่าพ่อเลี้ยงจะงวงเงียลลูกขึ้นมาไอ้พวกนั้นมันคงไปเปลี่ยนสีรถเรียบร้อยแล้วกว่าที่พ่อเลี้ยงจะไปแจ้งความที่โรงพักก็พากันหัวเราะงอแล้วงออีกนะพ่อเลี้ยงหมดไปเป็นลา น, ลาน คุณสมชายนึกถึงเรื่องที่พ่อเลี้ยงใช้ควันไอเสียรมตัวต่อศาสตร์แล้วสมไฟเอาเต่งต่อมากินเอ๊ะจะเป็นวิบากกรรมอันนี้หรือเปล่าหนอ